ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับปรุนเรามาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระไับูณ์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกันแล้วก็มาพูดคุยกันเรื่องของธรรมะก็มีเจ้าหน้าที่หลังใหม่ที่คอยช่วยเหลืออยู่ก็คุณทรงพลชูเวศคุณปัญญาชมจามปีวันเวลาเสาร์อาทิตย์ก็มีคุณเตือนใจด้วย มาช่วยเหลือในโรงการสาขะฉาเวลาที่ท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆ จ, จะติดต่อกับทางรายการก็สามารถส่งจดหมายมาได้โดยส่งมาที่เลขที่หนึ่งหมู่แปดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวั ด, ดอุดรธานีหรือว่าที่เว็บไซต์ puredha.mma และในช่วงของรายการที่เราได้จัดผ่านมาในรอบปีที่ผ่านมาในช่วงนี้เราก็จะแจกซีดีให้ท่านผู้ฟังโดยท่านผู้ฟังที่รับฟังเรื่อยมาอยู่เป็นปกติเนี่ยก็จะมีบางตอนบางช่วงของรายการที่อาจจะต้องการฟังซ้ำในการฟังซ้ำนี้เราก็เปิดให้ฟังอยู่แล้วที่ทางเว็บไซต์พิโยธรร .com ไปที่หน้าของรายการธรรมรับบรุนั้นก็จะมีที่คลิกให้ คุณก็ไปฟังยอดหลังได้ตอนไหนตอนไหนก็เลือกฟังเอาของวันที่เท่าไหร่อย่างไรก็ตามบางคนบางท่านก็ไม่ได้มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะนั้นแต่ก็จึงปรึกษากับทีมงานกันก็จะทำซีดีของรายการในช่วงรอบปีที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่วันออกพรรษาของปีที่แล้วในช่วงออกพรรษาเลยออกพัรษามาสะหน่อยจนถึงของปีนี้ในช่วงออกพรรษาแะมีทั้งหมด324ตอน ที่ได้จัดไปจะนำตอนทั้งหมดของรายการธรรมระเบรุญเนี่ยมารวบรวมเป็นแผ่นซีดีทั้งหมด7แผ่นในหนชุดมีจํานวน7แผ่นจะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกคนในที่ทําตามกระบวนการนี้ก็คือว่าให้ส่งซองมาเจ้าหน้าที่ของทางวิทยุประเศไทยก็จะนำซองนั้นใส่รายการธรรมระเบรุญที่เป็นชุดพิเศษนี้ของปี 2555 2556้ัน้บนี้ไปให้โดยให้ท่านฟังใช้ซองเปล่าซองนี้ต้องเป็นซองกันกระแทกขนาด A5 ขึ้นไปจะเป็น A5 ก็ได้ A4 ก็ได้เอาซองนี้นะติดแสแตม9บาทพอติดแสแตมเก้บาทแล้วแล้วก็ให้เขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองนะคือจาหน้าซองของตัวเองนั่นแหละเพราะทางเราจะใช้ซองนี้ที่ท่านฟังส่งมาเนี่ย ใส่ซีดีธรรมาราบรุญไปแล้วก็ส่งกลับไปให้โดยจ่ายหน้าซองถึงตัวเองติดสแตมเก้บาทบนซองกันกระแทกนี้แล้วก็พับซองนี้ครึ่งหนึ่งใส่ลงไปในซองเปล่าธรรมดาอีกซองหนึ่งซองเปล่าธรรมดานี้ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นซองกันกระแทกก็ได้แต่เราก็ส่งทั้งก้อนนี้มาส่งซองเปล่าที่ใส่ซองกันกระแทกแล้วเนี่ยมาที่สถานีพิทูลกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนพิพาดีรังสิตดินแดงกรุงเทพห 10-400 ูนยเวงเล็บมุม2ว่าธรรมารับปรุนแล้วเรารวบรวมไว้แต่เมื่อซีดีได้แล้วก็คงประมาณสักต้นเดือนธันวาคมแล้วก็จะใช้ช่วงของเดือนธันวาคมนั้นเป็นการจัดส่งกลับไปให้ท่านผู้ฟังก็คาดว่าคงจะได้รับก่อนปีใหม่แล้วก็อย่าส่งมาที่วัดป่าอนุไฮโศกนะเพราะมีแต่พระไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยทําให้ให้ส่ง ซีดีนะส่งซองเปล่าถ้าต้องการซีดีให้ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงบริเทศไตถ้าต้องการถามคําถามนะให้แยกจดห ม, มายมาแล้วก็ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกได้ถนเลขที่1หมู่8ตําบลดอนหายโศกอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์สี่หนถ้าต้องการซีดีนะให้ส่งซองเปล่าที่เป็นซองกันกระแทกติดสแตมเก้บาทนะใส่จานหน้าซองถึงตัวเอง เอซองกันกระแทกนี้ใส่ลงไปในซองธรรมดาอีก2องหนส่งซ อ, องธรรมดาที่บรรจุซองกันกระแทกนี้นำมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพหน0่งศส่งมาแล้วก็จะจะส่งซีดีตามซองที่ท่านผู้ฟังส่งมากลับไปให้ก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านได้ส่งจดหมายเป็นปัจจัยมาร่วมบุญกันที่วัดป่าดอกไหนโศกด้วยกัน ก็มีคุณสุตีบรรเทาทุกแล้วก็คุณแม่สุพินลิ้มสมบูรณ์จากจังหวัดระยองมีคุณพัฒนะเหมาลาจากจังหวัดอะไรไม่ทราบในที่นี้แต่ว่ารหัสปรษณีย์หกสศนย์ศูนยก็ได้ส่งปัจจัยร่วมมาหก0 0ื 63, ก็รู้สึกจะเป็นอำเภอเมืองจังหวัดตากในที่นี้คุณพัฒนะเหมาลาจากจังหวัดตากก็ยังถามคําถาม ในเกี่ยวกับการที่บุคคลที่เป็นราชการบํานาญนะว่าถ้ารับเงินบํานาญเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเงินภาษีอะไรต่างๆแล้วนะเหมือนกับเราเป็นหนี้บุญคุณเราจําเป็นที่จะต้องชดใช้กรรมสืบนะต่อไปในภพหน้าชาติหน้าหรือไม่นะจึงต้องการจะคลายสงสัยตรงนี้นเกี่ยวกับเรื่องการรับเงินบํานาญอันดับแรกก่อนถ้าเผื่อว่าเร า, เาทํางาน ทำงานแล้วเราก็รับเงินเดือนนังเงินเดือนที่เราได้รับมานี้เป็นเงินที่มีความเพียงเป็นเรื่องลุกขึ้นเป็นการรวบรวมด้วยกําลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อจะเป็นอาชีพที่เกิดจากการเกษตรกรรมอาชีพที่เกิดจากการากสิกรรมเลี้ยงโค ร, ราชบุรุษหมายถึงรับราชการเป็นอาชีพทหารเป็นอาชีพการใช้คอมพิวเตอร์ใช้สัญญาด้วยมือหรือทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ที่เป็นอาชีพ คุณเปาชีพคุณได้โคทตาซย์มาอันนี้ประรูชาบอกว่าเป็นโคทตาซย์ที่ได้มาโดยธรรมถ้าเราได้มาโดยธรรมนะหมายความว่าคุณไม่ได้ไปโกงเข้ามาไม่ได้ไปทำไม่ถูกมาโภควตาซั์ที่ได้มาโดยธรรมนั้นดีแล้วเพนะราะฉะนั้นอย่างการที่เราได้รับบํานาญบํานาญก็คือเป็นเหมือนเงินโบนัสที่เขาจ่ายให้คุณนะเป็นระเบียบของทางราชการอยู่แล้วในหะลายๆบริษัทที่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นราชการด้วยซ้ํา นะพอพนักงานทํางานไปจนเกษียณเขาก็มีบําเหน็จให้แตนะ่บางบริษัทที่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรเขาก็ให้พนักงานของเขาเนี่ยเลือกได้ว่าคุณจะรับเป็นเงินก้อนนะหรือว่าคุณจะรับค่อยๆทยอยรับอันนี้ครับเจ้าก็เคยเได้ฟังอยู่แต่เนะพราะฉะนั้นการรับบํานาญนั้นเป็นเงินที่ได้มาโดยทําอยู่แล้วนะเราไม่ได้เป็นหนี้ใครเพราะเราได้ทํางานนะเราไม่ได้โกงใครแตนะ่ว่าเราได้ทํางานมาก่อนนะถ้าคุณทํางานมาเกิน หลายๆปี 20-30 ปีนะเขาก็จะมีมีสิทธิ์ให้คุณเลือกบำนาญได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นหนี้แน่นอนประการที่สองที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของบุญคุณเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วนะว่าถ้าเราอยู่ในสังสา ร, รวัฏเนี่ยท่านฟังมันมีผัสสะกันอยู่ตลอดเวลานะบุคคลที่มีอุปการะแก่เราก่อนนะบุคคลนั้นเป็นคนดีแลนะบุคคลนั้นเป็นคนที่หาได้ยากในโลก เราอาจจะบอกว่าเออเราเป็นหนี้บุญคุณเขาเ อ, อ่อมันก็มีส่วนอยู่คือหมายความว่าเขาทำความดีกับเรานะอุปการะเราก่อนนะซึ่งเป็นคุณธรรมที่ดีมากนะอุปการะเราก่อนเราควรที่จะต้องอ่าเป็นผู้ที่ตอบแทนรู้คุณก่อนแล้วก็ตอบแทนกุณั้นด้วยการมีความกระตันยูคือการรู้คุณคการกระตะเวทิตาคือการตอบแทนเนี่ยเราทำแล้วเราก็เป็นผู้ที่หาได้ยากในโลกเหมือนกัน เพราะฉะนั ain, ้นอาจจะไม่ได้ทําก็ได bon ้เราก็เห็นบางกนก็ไม่ได้ทำแต่ถ้าท so ําแล้วดีไหมดีแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการตอบแทนมีการรู้คุณก่อนอย่างในกรณีเรานี้เรารู้คุณแล้วแต่เราอาจจะยังไม่มีโอกาสตอบแทนแต่ถ้าเรามีโอกาสตอบแทนเราก็ตอบแทนอันนี้ก็เป็นสิ่งดีเพราะฉะนั้นถ้าเราทําได้เราก็ตอบแทนเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้แต่ในสังสารวัตเนี่ยท่วนังมันมีกันไปเรื่อยๆมันวนอยู่กันอยู่อย่างนี้เราทําไป เราตอบแทนเราก็อุปการะคนอื่นมันจึงหมุนไปได้นะธรรมจกักกงล้อกงจักของพระุทเจ้าเนี่ยที่หมุนอยู่ได้ตอนนี้ก็เพราะมีพระุทเจ้าเป็นคนบึ้มหมุนไว้ครั้งแรกแล้วยังหมุนอยู่แล้วหมุนตามธรรมชาติอันนี้ก็หมุนไปได้นะเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมอยู่นะกรรมมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้ นันเป็นธรรมชาติอย่างนี้ไม่ใช่ว่าต้องโทษคนนั้นโทษคนนี้หรือเป็นเรื่องของต้องมาชดใช้กรรมนะ้ำผัดสะมันมีแน่นอนคุณทําคุณต้องได้ผลมีผลแล้วถ้ า, าคุณยังมีกิเลสมันก็สร้างกรรมใหม่มันก็วนไปเวียนมาเวียนมาวนไปอยู่างนี้นะเป็นคลายเป็นลักษณะของข่ายเป็นลักษณะของวงเขาเรียกจึงเรียกว่าวัดตะวนนะ้ำวนไปวนมาคือถ้าเราทําความเข้าใจให้ถูกนะเราเราต้องทําความเข้าใจให้ถูกอย่างนี้ เนะราถึงจะจะหลุดออกจากวัตตบวนนี้ไดนะ้การชดใช้มันก็จะไม่หมดนะเพราะว่าชดใช้ถูกระบบหรือเปล่านะถ้าใช้ยังไม่ถูกระบบในะกิเลยังมีอยู่มันก็จะต้องวนงันอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราทำถูกระบบนะบรรดาิชาวช้คําว่าสิ้นกรรมนะคือเราไม่ได้เกิดมาใช้กรรมอยู่แล้วการเกิดมานี้เป็นผลของกรรมเก่า อันนี้ครับชาได้เคยคุยกับคุณเตือนใจแล้วถ้าใครพูดกับมาใช้กรรมนะจะต้องเรียกคนนั้นกลับมาแล้วมาอธิบายให้เข้าใจนะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกิดมาใช้กรรมการเกิดมาของเราเป็นผลจากกรรมเก่ากรรมเก่าจากไหนจากการที่เราได้กายนี้ไงอะไรเป็นผลที่ทําให้เราได้กายนี้นั่นก็เพราะว่าเออจิตเรายังมีเหตุที่ทําให้เกิดอยู่แต่คุณจึงเกิดมาได้กายนี้เพราะฉะนั้นกายนี้เป็นเป็นผลของกรรมเก่าแน่นอน และเป็นผลของกรรมเก่าแน่นอนซึ่งทําให้บางคนเนี่ยใช้คําพูดที่ทําให้เข้าใจในลักษณะว่าเอองั้นคือการใช้กรรมคนที่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นอย่างงี้ชีวิตไม่ดีก็บอกเออคุณเกิดมาใช้กรรมรับไปนบคนที่ไปเกิดเป็นเทวดาเกิดแล้วมีความสุขคุณบอกเออคุณไปเสวยสุขเออคุณดีคุณเสวยสุขไม่ว่าคุณจะเป็นสัตว์นรกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเทวดาเกิดมาเนี่ยก็เป็นผลของกรรมเก่าตรงนั้น นะกรรมเก่ามันจึงทำให้เกิดมาเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจระบบกรรมให้ถูกต้องนะคือเราก็ทำกรรมใหม่ที่มันดีนะั่ทำกรรมใหม่ที่ดีชีวิตเราก็กดีขึ้นออสัพที่พระพุทธเจ้าใช้คือใช้กับมาสิ้นกรรมนะมีปฏิปทากระบวนการที่ทำให้ถึงการสิ้นกรรมได้อยู่นั่นคืออริยมรตมีองค์แปดต่เพราะว่าถ้าเราไปตามลบตามใช้ตามแก้แลนะ่มันตามลบตามใช้ตามแก้กันไม่หมดหรอก เพราะสร้างกรรมมาตลอดสังสารวัตนี้อันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้เนี่ยมันยากมากในการที่เราจะไปตามรู้ว่ า, าใครทําอะไรให้เราเราต้องไปตามชดใช้คือถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็จะไม่จบเราก็ตามใช้ตามแก้กันไปเลยแต่สิ่งที่พระเจ้าให้ท็นะคือให้ทําตามบริยมคมีมมองแปดเพื่ออะไรเพื่อที่จะเป็นปฏิปทาให้ถึงกันสิ้นกรรมนะการสิ้นกรรมตรงนี้ เป็นสิ่งที่ดีด้วยเพราะนั่นเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลในใจของเราในขณะที่เราสร้างบุญสร้างกุศลเราก็ละบาปลอยบาปออกด้วยนะเรามีจิตที่ค่อยๆสูงขึ้นตามปฏิปตนี้นะเราจะมีอํานาจเหนือกรรมนี่คนที่สิ้นกรรมแล้วเนี่ยมีอํานาจเหนือกรรมนะกรรมนันก็จะให้ผลในลักษณะใดๆกับบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ในเช่นเราพระอรหันต์นะเราพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่ผูดในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า งั้นเราไม่ต้องรู้จักหนี้บุญคุณใครไม่ใช่อย่างนั้ น, นาการที่เรารู้บุญคุณแล้วตอบแทนบุญคุณเป็นสิ่งที่ดีควรตามแน่นอนถ้าเรารู้เราก็ทําและเราก็ทําไปตามหน้าที่ก็คือว่าปฏิบัติตามเรียมาร์กมีอง8แน่นอนอันนี้ดีแน่เพราะฉะนั้นให้เราแก้กรรมใ น, นด้วยการทำกรรมให้สิ้นโดยการปฏิบัติตามรีมาร์กมีอง8ต่อไปก็จะตอบคําถามที่ส่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตคําถามที่ส่งมานี้มาจากคุณสมจิต จองสุวรรณส่งมาทางอินเทอร์เน็ตคุณสมจิตถามว่าการปฏิบัติตามปริยัามีองค์8จะรู้ได้อย่างไรว่าพัฒนาขึ้นคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าให้เราปฏิบัติทาไปแล้วเนี่ยจิตของเรามีการพัฒนาขึ้นการปฏิบัติธรรมด้วยการทั้งปล่อยสิ่งที่เป็นอกุศลละวางบาปาจะละจะวางได้นั้นปัญญาก็ต้องเกิด ปฏิบัติทรด้วยการเอาสิ่งที่เป็นกุศลนะการเอาการได้นั้นก็ต้องละบาปไปด้วยนะสร้างกุศลก็ต้องละบาปจะทำบุญให้เกิดบุญได้ก็ต้องละบาปรูปแบบของการทำบุญนั้นก็มีการให้ทานภกษาศีลเจริญภาวนาไปทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยมันดีแล้วมันถูกแล้วการปฏิบัติดีหรือถูกนี้ แต่มันก็มีเครื่องวัดอยู่เครื่องวัดที่เราดูได้ก็มีหลายอย่างนะัคือวัดที่เจ้าราคะโทสะโมหะก็ได้ ว, ว่ามันลดลงไปไหมเอาแล้วเราจะรู้ได้งไงว่าเอา้ราคะโทสะโมหะมันลดลงไปแต่มันไม่สามารถมีมิเตอร์นั้นเน็บเข้าไปที่จักแรแลเราก็บอกว่าเออตอนนี้คุณมีกิเลสเท่านี้แล้วนะเมื่อวานมีเท่านี้วันนี้มีเท่านี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะกิเลสนี้มันเป็นเกิดงอกใหม่ก็ได้ลดลงไปก็ได้ แตนะ่บางคราวเราเข้าสมาธิมันไม่มีแตนะ่บางคราวเราเจอสิ่งผัสะที่มากระทบที่ลักษณะที่ไม่น่าพอใจมันก็ผันตัวมาเป็นความโกรธแต่เนะจอลักษณะสิ่งที่ทําให้ลุ่มหลงหน่าเพลินใจน่าพอใจมันก็ผันตัวมาเป็นตัวราคานะแต่ไม่มีผัสะเป็นดั่เกิดเพราะนั้นเราจะรู้ได้นะว่า้การปฏิบัติธรรมของเราพัฒนาขึ้นหรือไม่ขึ้นนะหรือแย่ลงนะดูตอนที่เรามีผัสะ อันนี้เป็นเครื่องวัดความเป็นพระอรันได้เหมือนกันแล้วคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูแต่คือมีภาษาว่างนั้นเถอะกินข้าวนี่ก็ไม่เบนนะลิ้นลิมรสเนี่ยเราฉลาดในวารจิตของเราไหมดูไหมว่ารู้ไหมว่าจิตตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วคือถ้ามีราคะมีโทสะมีโมหะเรารู้ไหมเรามีสติไหมถ้าไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะคุณรู้ไหมคุณมีสติไหม นะถ้าเรามีสติอยู่ตลอดอยู่อย่างต่อเนื่องนะอันนี้ถือว่าการปฏิบัติของคุณใช้ได้ทีเดียวดีทีเดีย ว, ยวนะสติเป็นเรื่องวัดการพัฒนาอย่างหนึ่งทีงนี้สติที่เรามีบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นสัมมาสติหรือว่ามิจฉาสตินะเพราะบางทีที่เราคิดว่าเรารู้เรารู้เนี่ยมันเป็นแค่รับรู้เฉยๆนะไม่ใช่ระลึกรู้นะรับรู้คือวิญญาณระลึกรู้คือสติ แต่มันก็นคนละเรื่องกันอีวิธีหนึ่งเราดูได้ก็คือเวลาที่เรากระทบอารมณ์นั่นเองคือพรรษานั่นแหะแล้วเราดูว่าเอ๊เราสามารถปล่อยวางความลุ่มหลงความพอใจที่เกิดขึ้นได้เร็วหรือได้ชา้าหรือเราปล่อยวางความโกรธความไม่พอใจที่เกิดขึ้นได้เร็วหรือได้ชา้าเวลามีคนด่าด่าเราด่าว่าเสียให้หาย เราจะโกรธในเวลาที่เราโกรธเนี่ยสมมุติเราอาจจะโกรธอยู่ครึ่งวันแต่ถ้าเราพัฒนาจิตของเราดีขึ้นแลเราปฏิบัติตามอริยมังมีองค์แแล้วเราพัฒนาขึ้นไอระยะเวลาที่โกรธจากครึ่งวันนี้มันก็จะลดลงอันนี้คือข้อที่1ได้ในอีกข้อหนึ่งก็คือว่าแล้วเวลาที่โกรธปี๊ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสูงนะไม่ค่อยโกรธมากสมัยก่อนอาจจะโกรธแล้วก็บึ้มบ้มขึ้น เคว้งของด่าด้วยคำหยาบคายถ้าจิตของเรามีการพัฒนาขึ้น้เวลากโกรธนี้มันก็จะฮึมฮึมขึ้นอาจจะหน้าตาบึง้งตึงแต่ไม่ถึงกับปล่อยคำพุทธสวาสดออกไปจากปากอาจจะไม่ถึงกับขนาดกระโดดโลดเต้น แ, ตแค่ฮึมฮึมแล้วก็หน้าตาบึง้งตึงอันนี้คือระดับความโกรธนั้นก็ลดลง น, น, นี่คือข้อที่2 อ, อีกข้อหนึ่งที่พอจะดูได้เหมือนกันก็คือเวลาที่ เราอยู่เฉยๆไม่ได้มีภาษาที่ไม่น่าพอใจไม่ได้มีภาษาที่น่าพอใจนามากระทบนั่นคือเวลาที่คือมีภาษาเหมือนกันน่นแหะนั่นคือเวลาเราอยู่เฉยๆไม่ใช่ว่าไม่มีภาษามีภาษาแต่ว่าภาษานั้นก็เป็นภาษา ธ, ธ ร, รรมดาๆใช่ไหมไอ้ตอนที่เรามีภาษาธรรมดาๆเนี่ยเราทรงจิตของเราให้อยู่ในสมาธิได้ไหมในมีจิตมีความเย็นมีจิตแน่แๆเป็นอารมณ์บันเดียวแต่ถ้าคุณมีสมาธิในลักษณะนั้นเราก็ถือว่าดีด้วย ปเป็นวิธีการดูเพื่อใหอ้รู้ถึงว่าเราพัฒนาขึ้นนะก็ดูที่สติแว่าเรามีสติอยู่ตลอดเวลาได้หรือไม่อันนี้ข้อที่1 ห, หรือข้อที่2ดูที่สมาธิในวันไหนช่วงที่เราอยู่ธรรมดาๆเรามีสมาธิได้อยู่เรื่อยได้หรือไม่ในสมาธินี่หมายถึงความที่จิตแน่ๆเป็นอารมณ์เดียวแต่ความที่จิตแน่ๆเป็นอารมณ์เดียวนั้นก็ทําได้ทุกอริยบทอยู่แล้วสติก็ทําได้ทุกอริยบทอยู่แล้ว ในอะไรที่มันแวดล้อมจิตที่เป็น1อยู่นั่นคือเรียนมัธยม8พอในธาตจิตเราเป็น1ตรงนี้ก็สามารถวัดได้เป็นอันที่2อันที่3ก็วัดที่ความเร็วในการปล่อยวางอารมณ์แต่เวลาที่เรามีภาษาที่ไม่น่าพอใจหรือภาษาที่มันทําให้เราลุ่มหลงแล้วก็ปล่อยวางได้ก็ที่3ามแล้วก็ที่4นั้นก็ดูที่ความแรงที่มันปรีดขึ้นไปแต่ถ้าอยากได้อะไรมากก็มาพูดใส่หูเรานิดนึงโอ้ยนี่อยากได้จริงๆเลย เราก็ปรีดอยากได้เลยจิตใจมีความรุ่มหลงไปตามปรีดขึ้นปรีดลงนะทั้งในความอยากทั้งในความโกรธแตนะ่แสดงว่ายัางไม่ปัฒนาแต่ถ้าไอความปรีดขึ้นปรีดลงนี้มันลดลงก็แสดงว่าดีขึ้นอยู่นะเราดูได้ที่ตรงนี้ถามว่าประมาณเครื่องวัดสอบคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะตรงนี้คือแต่ละคนไม่เท่ากันคนหนึ่งอาจจะไปปฏิบัติธรรมมานะเขามาเล่าให้ฟังเป็นอย่างงั้นอย่างนี้โอ้ดีมากเลย เราชอาประมาณเครื่องวัดสอบตรงนั้นมาเป็นว่าไอ้ฉันน่าจะต้องทําได้บ้างนะมันไม่แน่ไม่แน่แต่เพราะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นอย่างเขาเป็นหรือเราเป็นอย่างงี้เราจะให้ลูกของเราเป็นอย่างนี้มันไม่แน่แต่เราควรมีความสามารถไม่เท่ากันมีเหตุเครื่องที่ทํามามีกรรมไม่เหมือนกันเพราะนั้นประมาณเครื่องวัดสอบจะามาใช้ด้วยกันนี้ก็ก็ไม่ได้เพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนจริงๆนะใจของเราเป็นใจที่รู้ได้ เราต้องมาคอยส่องดูจิตของเราอยู่เรื่อยๆในการส่องดูจิตนั้นโดยใช้กระจกนดี๋ใช้กระจกเป็นเครื่องส่องดูหน้าของตัวเองใช้ภาชนะน้ําเป็นเครื่องส่องดูเงาหน้าของตัวเองเดี๋ยเพื่อให้รู้ว่าเฮ้จิตของเราเป็นยังไงถ้าเราไม่รู้วาระจิตของตัวเราเองนะจะไปให้คนอื่นมาดูมารู้เนี่ยหมันไม่ได้หรอกคุณไปคิดว่าหมอดูเขาจะรู้จิตของคุณเขาก็ดูรู้เวลาที่เขาเก็บเงินคุณตอนนั้นเอง เวลาที่คุณจับเข้าไปแล้วเขาก็ไม่ได้มาตามรู้กูละแต่คุณคิดว่าคุณจะมาจ้างคนมาให้รู้ว่ามาคอยเตือนคุณว่าอย่าโกรธอย่าโลภอย่าหลงพ่อคุณแม่คุณที่เตือนคุณหรือลูกคุณผัวคุณเมียคุณที่เตือนคุณแต่เขาก็เตือนได้เฉพาะเวลาที่อยู่ด้วยกันเขาก็ไม่ได้ตามคุณเข้าไปในน้ำหรือว่าเขาก็ไม่ได้ตามคุณเข้าไปในฝันแต่เราต้องดูแลจิตของตัวเราเองถ้าเราไม่รับผิดชอบดูแลจิตของตัวเราเองอันนี้ไม่ได้เรื่องแสดงว่าคุณตกอยู่ในอานาจของจิต เราต้องรับผิดชอบดูแลจิตอย่าให้ไปตกอยู่ในอำนาจของมันแต่ต้องดูแลจิตเพราะในลักษณะคำถามของคุณสมจิตจองสุวันนั่นนี่ก็เป็นเครื่องเบาได้อย่างหนึ่งว่าเออพยายามที่จะดูแลจิตของตัวเองแต่ดูว่าเอ๊ะฉันมีการพัฒนาหรือไม่อย่างไรท่านฟังท่านอื่นก็ควรจะต้องทําด้วยนะในการที่จะฝึกมาดูแลจิตของตัวเราเองว่าเอ๊ะจิตของเราดีขึ้นไหมเราส่งใจไปทางไหนนะมีความดีไม่ดีอย่างไรเ่ะพิจารณาตัวเอง เดีเหมือนวัยรุ่นที่เขาคอยส่องดูเงาหน้าของตัวเองแล้วก็ถ้ามันมีสิวนี่เขาก็จะรีบบีบออกถ้ามันไม่มีสิวก็ค่อยจะสบายใจเหมือนการเราต้องส่องดูจิตของตัวเราเองแต่ถ้ามีเรื่องที่เป็นอกุศลรีบบีบออกล้างออกลอกออกถูออ ก, อ ก, ออ ก, ก, ออกเช็ดออกข้อออกแต่ถ้ามันดีแล้วแล้คุณก็มีสติและมีราโมดตามศึกษาในการที่จะละอกุศลเจริญอกุศลให้ยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นสิ่งดี อีกคำถามหนึ่งที่ส่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตก็ส่งมาจากคุณบุพเวสจากจังหวัดเชียงใหม่ถามมาถึงเรื่องของคําว่าเมตตาวิมุตต์หรือว่าเมตตาเจโตวิมุตต์ช่วยอธิบายขยายความคําเหล่านี้แล้วเราจะนําคํานี้มาใช้ประโยชน์ดได้อย่างไรแต่จริงคุณบุพเวสได้ถามถึงอีกเรื่องหนึ่งด้วยเรื่องนั้นจะไปคุยออกับคุณเตือนใจในโอกาสต่อไปแต่ที่นี้จะอธิบายถึงเรื่องของคําว่าเมตตา เนี่ยเมตตาวิมุตต์หรือเมตตาเจโตวิมุตต์ในที่นี้ก็มีคําว่าเมตตาเหมือนกันเราอธิบายคําว่าเมตตาซะ ก, ก่อนเนี่ยเมตตาถ้าแปลเป็นภาษาไทยเขาก็จะแปลกันว่าความรักนะีความปรารถนาดีเนี่ก็แปลว่าอย่างนี้เนี่ก็มีหลายๆคนโยมทั้งพระพรุทธเจ้าด้วยเหมือนกันในที่บอกว่าเออให้เราเจริญเมตตาให้กับบุคคลอย่างไม่มีประมาณแต่บางคนก็มีคิดว่าโอ้ยฉันจะไป เจริญความรักความเมตตาให้คนที่ฉันเกลียดมันไม่ได้หรอกมันแย่หนาจะไม่ชอบหนาฉันแผ่เมตตาให้คนนี้คนนี้ได้อยู่แต่ขอยกเว้ น, น, น, นมันไว้สักคนหนึ่งหนาขเว้นไอ็มหมอนี่ไว้สักคนหนึ่งมันไม่ได้เลยหนก็คือคือไม่เมตตาจริงหนาคือยังเว้นไว้สักคนหนึ่งอยู่หนาแสดงว่ายังเมตตาไม่เต็มที่นาการไม่เต็มก็คือยังไม่เจเโตยังไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงให้เราเจริญเมตตาได้อย่างเต็มที่ให้กับสรัปรสัต ah! ยังไม่มีประมาณแม้แต่ศัตรูของเราเราก็ยังมีความรักความเมตตาในในบุคคลนั้นได้เราจรึงต้องทำทำความเข้าใจกับศัพท์ให้ถูกต้องซะก่อนนะคำว่าความเมตตาเนี่ยคือความปรารถนาให้เขาดีขึ้นนะปรารถนาให้เขาเป็นสุขนะคือถ้าเราจะแปลว่าความรักในลักษณะนั้นก็ก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันมีความหมายแฝงหลายอย่างนะในที่นี้เรากาลังพูดถึงว่าเอาแค่ปรารถนาให้เขาเป็นคนดี ในศัตรูของเราคนที่เราไม่ชอบไม่ชอบเกลียดมันมากมากได้ยินชื่อนี่ขนลุกทันทีแล้วก็ตึงขึ้นมาทันทีไม่ได้ไม่ยอมแนะต่ตอนให้คนเขาที่เป็นขนาดนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจคาว่าเมตตาให้ถูกนะคือเราปรารถนาให้เขาเป็นคนดีแตนะถ้าเมื่อไหร่ที่คนแบบนั้นเนี่ยนะที่เราเกลียดเกลียดเกลียดมากๆเลยเนี่ยเขาเป็นคนดีขึ้นมาได้อันนี้ขาพเจ้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก นะเราจะเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรเราจะลดคนที่ไม่ดีลงคนหนึ่งเพิ่มคนที่ดีขึ้นคนหนึ่งในะการปรารถนาที่ให้เขาเป็นคนดีขึ้นมาได้การปรารถนาที่ให้เขาได้เจอความสุขตรงนี้นี่นะคือความเมตตาอีกกรณีหนึ่งเราเราจะคิดอย่างนี้ก็ได้ือนะนกับแม่นะคลอดบุตรออกมาคนแรกนะอุ้มบุตรเอาไว้ในอ้อมอกแล้วก็มีจิตที่ปรารถนาดีกับบุตรคนนี้ ต่อให้บุคคลนี้จะขี้เร่หน้าตาดูไม่ได้แขนมีครึ่งนึงขางอกออกมาเป็น3ขาอย่างนี้นะเขาก็ยังมีความปรารถนาดีให้บุตรนะว่าบุตรผู้นี้ขอให้ได้รับความสุขมีข้าวกินมีความเป็นอยู่ดีให้เป็นคนดีของสังคมนความปรารถนาดีตรงนี้ก็เหมือนกันนั่นคือความเมตตาเพราะฉะนั้นความเมตตาเนี่ยแต่ผมฝังมันให้ได้อย่างไม่มีประมาณทีเดียวให้ได้อย่างไม่มีประมาณไม่ว่าจากคนที่เราเกลียด กับคนที่เรารักกับคนที่เรารู้จักกับคนที่เราไม่รู้จักกับสัตว์ที่เดินตอกตอกตอกไปกับแมงมุมที่อยู่ในห้องนะกับมดกับปลวกเรามีเมตตาก็ให้ปรารถนาให้เขาไปดีปรารถนาให้เขาอยู่ดีปรารถนาให้เขาเป็นคนดีปรารถนาดีกับเขาอะนะดีในทุกๆอย่างนั่นแหละนะดีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งปรารถนาให้เขาไปที่ที่ดีๆอย่างสมมุติปลวกนี่เป็นต้นแล้วเราจะแผ่เมตตาให้มันนะแล้วก็คือให้เขาไปอยู่ในที่ที่เขาอยู่แล้วจะสบาย อย่ามาอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่มันจะไม่สบายมันจะถูกเบยดเปลี่ยนเป็นต้นแวเราปรารถนาอย่างนี้มีจิตใจแบบนี้นั่นคือจิตใจที่มีเมตตาในเบื้องต้นคําถามของคุณบุพเวก็จะตอบเท่านี้ก่อนในเรื่องของการศึกษาธรรมะนี้นะท่านผู้ฟังเราควรที่จะทําความเข้าใจในสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ในคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วแล้วถ้าเิดว่าในกระบวนการที่เราศึกษาทําความเข้าใจนี้มีคําถามก็สามารถส่งมาได้ โดยส่งคําถามหรือว่าข้อสงสัยต่างๆเป็นใบเสียบัดบ้างเป็นจดหมายบ้างมาที่วัดป่าดอนไห้โศกได้เลขที่1นึ่งหมู่แปดตบลดอนหาโศกอําเภอหนองหารชังวัอุดรธานีถ้าใครต้องการขอซีดีรายการธรรมลับปรุนเราจะแจกให้ตอนนี้ใ้ท่านผู้ฟังส่งซองมาโดยส่งไปที่สถานีพิทุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะถ้าต้องการรับซีดีให้ส่งไปที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพฯห0ึ่งส่งอะไรไปไหนส่งซองกันกระแทกไปในซองกันกระแทกนี้ให้จ่าหน้าซองถึงตัวเองด้วยติดสเต็มเก้บาทแล้วคุณพับซองกันกระแทกนี้ใส่ไว้ในอีกซองหนึ่งเอาซองที่เป็นซองธรรมดานี่แหละใส่เสร็จแล้วแล้วก็ส่งซองนั้นมาติดสแตมสามบาทพอนํามาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เราก็จะมีเจ้าหน้าที่มีคุณทรงพลและทีมงานคุณปัญญาชมจำปีด้วยนะที่จะคอยจะแจงเรื่องตารางต่างๆเหล่านี้แล้วก็ส่งซีดีกลับไปให้ท่านผู้ฝังนะภาย ใ, ในปีนี้เราคิดว่าเราจะทำได้ทาเสร็จเกิดเป็นคนแล้วเนี่ยหมือนต้องสู้นะให้เราสู้ด้วยเมตตาสู้ด้วยความอดทนสู้ด้วยความไม่เบียดเบียนสู้ด้วยความรักใครเอ็นดู ความเมตตาความรักใคร่อ็นดูคือความปรารถนาดีให้เขาเป็นคนดีปรารถนาดีให้เขามีจิตใจที่ดีขึ้นสูงขึ้นได้นั้วหนงิงขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายมีความโชคดีความโชคดีคือการไปดีไปดีคือการคิดดีทดําดีพูดดีคนที่คิดดีทดําดีพูดดีชื่อว่าไปดีแล้วคนไปไหนดีนั่นชื่อพอโชคดีวันนี้ครพบท่านพระภัยบูลณขอลาไปก่อนเจริญพร